บ้านที่ผมเกิดนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ําลบบุรีแม่น้ําลบบุรีเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นแม่น้ําสายใหญ่พอดูไม่แคบและตื้นเขินเหมือนทุกวันนี้ถึงหน้าน้ําหลากระดับน้ําจะยิ่งสูงขึ้นเพราะว่าน้ําเหนือที่ไหลบ่าลงมาสองฝั่งแม่น้ํายิ่งดูกว้างไปกว่าปกติช่วงนี้เป็นเวลาที่เด็กๆอย่างพวกเราสนุกกันมากเลิกจากโรงเรียนก็ชวนเพื่อนๆกระโดดน้ําเล่นดําผุดดําว่ายพวกเด็กที่โตหน่อยก็แอบเกาะเรือที่ผ่านไปมา เด็กๆแถวบ้านเราไม่มีใครกลัวน้ำเพราะว่าทุกคนว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ยังหัวเท่ากัมปันสมัยก่อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงถึงฤ ด, ดูเกี่ยวข้าวมองไปทางไหนก็เห็นทุ่งนาที่มีต้นข้าวออกรวงเลื้องอารามเพราะว่าตั้งแต่บ้านผมไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองหรือเหนือขึ้นไปแถวอำเภอบ้านหมีมีอาชีพทำนากันทั้งนั้นแม่น้ำก็อุดมไปด้วยปลาและกุ้งอย่างปลาฉลาดหรือปลากระไ พวกผมมักตกกันตอนกลางคืนไม่ต้องไปไกลนั่งอยู่บนสะพานท่าน้ำหน้าบ้านนั่นแหละพักเดียวก็ได้เป็นพวงผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเขากินปลากันเป็นพื้นเรื่องอาหารปลาแล้วผมเชื่อว่าชาวบ้านแถบนั้นไม่เป็นรองใครเขาจะรู้กันว่าปลาอย่างไหนควรเอามาทำอาหารอะไรถึงจะเหมาะคนไทยริมน้ำพิถีพิถันเรื่องการกินมาแต่ไหนแต่ไรกระทั่งน้าปลาเขาก็ใช้ปลาส้อยทากันเองหมักไว้ในห เวลาจะใช้ก็ตักขึ้นมาโดยใช้ผ้าขาวบางกรองกากออกก่อนน้ำปลาแบบนี้ไม่ว่าจะเอาไปใช้ต้มยำทำแกงอะไรก็หอมอร่อยดีกว่าน้ำปลาที่เขาขายเป็น ข, ดขวดๆอยู่อย่างเดียวนี้ตอนเด็กๆผมชอบกินข้าวร้อนๆคลุกกับก า, กากหมูที่แม่เจียวใหม่ๆราดด้วยน้ำปลาแค่นั้นก็อร่อยเสียการะไรบ้านของเรามีพี่น้องหลายคนรุ่นพี่ๆเขาห่างกับผมหลายปีผมมีน้องชายถัดจากผมไปอีกคนนึง น้องคนนี้กับผมจึงสนิทกันมากกว่าพี่น้องคนอื่นเพราะว่าอายุไล่เลี่ยกันตอนเด็กๆน้องคนนี้ไว้แกะแบบเด็กชาวบ้านทั่วไปในแถบนั้นเวลาเรียกน้องคนนี้ก็จะเรียกว่าไอ้แกะไอ้แกละเป็นเด็กใจน้อยตั้งแต่เล็กๆ เ, เวลาพ่อซื้อของเล่นมาให้ผมแต่ว่าลืมซื้อให้น้องไอ้แกะจะน้อยใจไม่เลิกงานประจำปีที่วัดข้างบ้านเป็นเรื่องที่เด็กๆอย่างพวกเราไม่ค่อยพลาดมีของเล่นให้ดูซารพั แล้วก็ขนมอร่อยก็อีกมากมายที่ผมชอบที่สุดเห็นจะเป็นร้านยิงเป้าที่เขามีตุ๊กตาสัตว์ต่างๆให้เรายิงด้วยปืนจุกไม้ก็อกแล้วก็ยังมีร้านป่าเป้าที่เอากระป๋องมาตั้งเรียงกันเป็นชั้นๆให้เราปาด้วยลูกเทนนิสถ้าใครปากระป๋องที่เรียงไว้ตกลงมาได้หมดโดยใช้ลูกเทนนิสจำนวนที่เขากาหนดก็จะได้รางวัลนอกจากร้านต่างๆที่มีของใหเล่นแล้วยังมีแม่ค้าขายขนมขายของกินอีกสารพัด ของโปรดของผมก็คือข้าวเกลียบว่าแล้วก็ขนมสายไหมที่มีสีสวยอันโตโตจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีงานวัดพวกเด็กๆรุ่นผมเนียนัดกันไปเที่ยวผมก็ได้ขออนุญาตพ่อแล้วก็แคะกระปุก อ, อมสินไว้ตั้งแต่ตอนเย็นไอ้แกะนั่งดูผมแคะกระปุกแล้วก็เอ่ยปากขอไปกับพวกเราแกนี่ยังเล็กมากเลยนะไว้เดี๋ยวค่อยไปกับพ่อก็แล้วกัน ที่จริงผมไม่อยากให้มันไปด้วยเพราะว่าอยากสนุกกับพวกเพื่อนรุ่นเดียวกันมากกว่าจะต้องมาคอยดูแลน้องลูกแง่อย่างไอ้แกละก็ฉันอยากไปกับพี่อ่ะไอ้แกลอ้อนคนเยอะแยะเดี๋ยวก็หลงกันไม่หลงหรอกฉันหลงฉันก็กลับบ้านเองได้แต่ว่าพ่อเขาจะพาไปพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ฉันก็จะไปอีกก็ได้นี่นะออมันไม่ยอมแพ้ผมขี้เกียจ ต, ต่อลาอต่อเถียงก็เลยลุกหนีเอาเดือ เย็นนั้นพอกินข้าวเสร็จผมก็แอบหนีไอ้กแกลไปพบกับพวกเพื่อนๆที่หน้าวัดตามที่นัดไว้คืนนั้นพวกเราสนุกกันใหญ่เพราะว่าปีนี้มีหนังมาฉายให้ดูด้วยผมชอบดูหนังคาวบอยที่พระเอกขี่ม้า ก, กับกับมีอินเดียนแดงเป็นผู้ร้ายกว่าหนังจะเลิกก็ดึกมากกลับมาถึงบ้านไอ้กแกเนี่หลับไปแล้วผมเห็นน้องนอนหลับอยู่ท้งที่อยู่ในชุดเตรียมไปเที่ยวก็นึกสงสารนี่คงคอยผมจนหลับ รุ่งขึ้นไอ้แกละไม่พูดกับผมทั้งวันจนบ่ายมันก็หายหน้าไปจนถึงตอนเย็นก็ไม่มากินข้าวกับพี่น้องอย่างทุกวันพ่อออกตามหาตามที่ที่มันชอบไปเล่นก็ไม่พบถามใครก็บอกว่าไม่เห็นพวกเราก็เริ่มกังวลจนเกือบทุ่มสักพักหนึ่งไอ้แกละก็เดินหน้าบอกบุญไม่รับกลับมาบ้านแม่ไปซักเอาความจริงปรากฏว่าไอ้แกละหลบไปนอนใต้เรือที่คว่ำไว้ตรงท่าน้้ําหนาบ้าน เรือลำนี้พ่อเอาขึ้นมาคว่าไว้บนร้านริมตะลิ่งเพื่อเอาชันยาใต้ท้องพวกเราจึงหามันไม่เจอเข้าไปนอนทำไมกันในเรือเนี่ยเขาหากันให้ทั่วไปหมดเลยเรื่องของฉันพี่ไม่ต้องมายุ่งไอ้แกละสะบัดหน้าท่าทางยังโกรธที่ผมหนีเที่ยวโดยไม่พามันไปด้วยคราวนั้นผมต้องง้อมันอยู่หลายวันกว่าไอ้แกะจะหายโกรธและแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแม่ให้คนไปตามผมที่โรงเรียนตั้งแต่ตอนบ่าย กลับมาถึงบ้านก็พบพี่พี่น้องน้องอยู่กันครบแม่ตาแดงก่ำเข้ามาโอบไหลแล้วกระซิบบอกกับผมว่าไอ้แกะจมน้ำตายว่าเท่านั้นก็สะอื้นพี่น้องทุกคนมองหน้าผมสีหน้าเศร้าด้วยกันทุกคนผมใจหายว่าพ่อเล่าว่าวันนั้นไอ้แกะหายหน้าไปตั้งแต่สายๆคนในบ้านคิดว่ามันโกรธหรือน้อยใจใครอย่างที่เคยเป็นถึงตอนบ่ายจึงเอะใจออกหากันก็ไม่พบ จนมีคนไปพบศพมันจมน้ำอยู่ตรงสะพานท่าน้ำหน้าบ้านไอ้แกละคงไปเล่นซนตามปราสาแล้วพลาดตกน้ำขาไปขัดกับเสาสะพานพโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตอนเขาไปงมศพพบว่ามือสองข้างของไอ้แกละยังคงการรกอหญ้าใต้น้ำอยู่สองท่าผมรู้สึกสงสารน้องน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวถึงไอ้แกละจะน้อยใจมันก็เป็นน้องที่ผมรักเรากินเราเล่นด้วยกัน เวลาเรานอนเราก็นอนด้วยกันในมุ้งเดียวกันสองคนพี่น้องทุกวันไอ้แกละนอ้อยแกละอายุสั้นนักคุณพ่อตั้งศพสวดที่วัด3วันแล้วก็เอาไปฝังไว้ในป่าช้าหลังวัดชาวบ้านที่นั่นถ้ามีคนจมน้ำตายหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุเขาจะไม่เผาแต่เขาจะสวดตามประเพณีแล้วก็มักจะฝังภายใน 2-3 วันตอนเขายกลงเล็กๆที่มีร่างไอ้แกละลงหลุมผมร้องไห้ออกมาอย่างกลั้นไม่ไหว ผู้คนแถบริมแม่น้ำมีเรือใช้กันทั้งนั้นบ้านของเราเป็นบ้านยกพื้นชั้นเดียวขึ้นจากสะพานท่าน้ำจะเป็นระเบียงติดกับห้องใหญ่ๆที่ใช้เป็นที่รับแขกแล้วก็กินข้าวในบ้านเราทางด้านขวาเป็นห้องนอนพ่อกับแม่และห้องเล็กๆที่ผมนอนกับเอ้กแกละส่วนอีกฝากหนึ่งเป็นห้องของพวกพี่ๆอีกสองห้องติดกันกับห้องน้ำและห้องครัวที่อยู่ทางหลังบ้านตั้งแต่เอ้กแกละตาย ผมจึงต้องนอนคนเดียวในห้องเล็กที่อยู่ติดกับห้องพ่อด้านระเบียงท่าน้ำตอนที่เอกแกะตายใหม่ๆผมก็รู้สึกเงาเพราะไม่มีใครเล่นด้วยตอนเข้านอนยิ่งเห็นของเล่นที่น้องเคยเล่นผมยิ่งคิดถึงเอกแกะวันแรกๆผมจึงไปนอนในห้องกับพ่อบ้างไปนอนกับพี่ๆบ้างพอหลายวันเข้าก็กลับมานอนที่ห้องเล็กของผมอย่างเดิมหลังจากเอกแกละตายไปได้สองสามอาทิตย์วันนึงผมเกิดไม่สบาย เนื่องจากอาการไข้และปวดหัวต้องขอลาคุณครูกลับมาบ้านตั้งแต่ตอนเที่ยงวันต่อมาพ่อพาไปหาหมอที่สถานีอนามัยเขาบอกว่าผมเป็นไข้หวัดอีกสองวันเริ่มมีเม็ดขึ้นตามตัวและมีไข้สูงคราวนี้หมอที่มาที่บ้านบอกว่าเป็นไข้ออกอิสุกอิสยัยก็เลยเอายาไว้ให้กินแล้วก็บอกให้นอนพักห้ามไปเล่นสนกับเด็กอื่นๆผมรู้สึกตกใจที่อยู่ๆก็มีเม็ดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นตามตัว แม่บอกว่าแล้วมันจะหายไปเองทั้งอย่างห้ามไม่ให้เกาไม่ให้แกะมิฉะนนั้นจะเป็นแผลเป็นติดตัวทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละเป็นตอนนี้ก็ยังดีซะกว่าเป็นตอนโตแม่ว่าผมไม่สบายคราวนั้นจำได้ว่าเรื่องใหญ่ครั้งหนึ่งของตัวเองพี่พี่น้องๆเขาเป็นห่วงกันเพราะว่าผมไม่มีความรู้สึกอยากกินอะไรเลยจนวันที่สจึงพอกินอะไรได้บ้างครั้งนั้นต้องหยุดเรียนหลายวัน วันหนึ่งแม่เอายามาให้ผมกินแล้วก็ไปส่งผมเข้านอนพอตกดึกตื่นขึ้นมารู้สึกกระหายน้ำก็เลยลุกออกจากมุง้งไปดื่มน้ำจากขวดน้ำที่อยู่บนโต๊ะในห้องสมัยผมเด็กๆนั้นบ้านในต่างจังหวัดยังใช้มุ้งกลางนอนกันอยู่ส่วนมุ้งลวดที่ติดประตูหน้าต่างในตอนนั้นยังไม่เห็นมีใครใช้ตอนที่ผมตื่นขึ้นมานั้นเวลาประมาณเท่าไรก็ไม่ทราบแต่ว่าทางบ้านปิดไฟเงียบเป็นหมดแล้ว ห้องนอนเล็กที่ผมนอนเปิดหน้าต่างด้านที่ติดกับท่าน้ําไว้คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนพอให้เห็นอะไรอะไรได้บ้างผมออกจากมุง้งก็ยังรู้สึกเวียนหัวเพราะว่าพิษไข้ลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะซึ่งมีขวดน้ํามีแก้วน้ําและก็ขวดยาวางอยู่รินน้ําใส่แก้วดื่มรวดเดียวแล้วก็เดินกลับไปที่มุง้งพอนั่งลงยกชายมุง้ง กำลังจะเข้าไปนอนต่อผมก็ต้องตกตะลึงไอ้กแกะไอ้กแกละนอนอยู่ในมุ้งบนที่นอนข้างๆผมที่ที่มันเคยนอนตาผมไม่ได้ฝาดแน่แสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างด้านตรงข้ามกับมุ้งนอนสว่างออกอย่างนั้นไอ้กแกะนอนตะแคงงอเข่าสองข้างหันหน้ามาทางผมใส่เสื้อคอกลมสีขาวนุ่งกันเกงขาสั้นยิ้มให้กับผมซะด้วย ใบหน้าดูมีความสุขเหมือนตอนที่ได้เล่นอะไรที่มันชอบผมตกตะลึงตัวแข็งมือที่ยกชายมุ้งค้างอยู่ห่างกันกับร่างของไอ้แกะในมุ้งเพียงเอื้อมมือผมกลัวจนพูดอะไรไม่ออกจะร้องเรียกพ่อกับแม่ก็อ้าปากไม่ขึ้นไอ้แกะยิ้มให้ผมอีกครั้งแล้วมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงครู่เดียวเท่านั้นผมขนลุกสู้ปล่อยชายมุ้งลง เดินออกไปปลุกพ่อกับแม่ที่ห้องติดติดกันพอผมเล่าให้พ่อฟังพ่อกับแม่ต่างตกใจคืนนั้นแม่ปูที่นอนให้ผมนอนหน้าเตียงนอนในห้องพ่อผมนอนลืมตาอยู่อย่างนั้นเป็นนานโดยไม่รู้สึกง่วงจนเช้ามืดตอนแม่ลุกเข้าครัวหุงข้าวเพื่อรอตักบาทตามปกติผมก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียตื่นขึ้นตอนสายๆพี่ไปโรงเรียนกันหมดแล้วผมออกไปนั่งกินข้าวแม่ยกข้าวต้มมาให้ วันนั้นนอกจากกับข้าวอื่นแล้วยังมีหัวไชโป๊วหวานผัดกับไข่ผมจําได้ว่าเป็นกับข้าวที่ไอ้แกละชอบตอนกินข้าวแม่มานั่งอยู่ใกล้ๆบอกกับผมว่ากินข้าวเยอะๆนะลูกจะได้หายเร็วๆวันเนี้ยแม่ผัดไชโป้ใส่บาดกรวดน้าให้ไอ้แกะด้วยผมหันไปมองเห็นแม่ตาแดงน้ําตาคลอสองแก้ม